พระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวานเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลืมต้นหนึ่งตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์ผู้อบรมอิทธิบาสีมาอย่างดีแล้วทำจนแคล่วคล่องแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือหนึ่งร้อยยี่สิบปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระโลกนาตรัดดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอานนุ์ก็คงเฉยมิได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นอ่าความจงรักภักดียังเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้น ปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอ น, นุนเฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอา น, นุนเธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอ น, นุ์จึงลีกไปพักผ่อนณโนะคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณนะบัดนี้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 ก็แลบัตรนี้พระธรรมคําสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชลาสามารถพอที่จะดํารงพรหมจรรย์ศาสนวาทะของพระองค์แล้วเป็นการสมควรแล้วที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดําริดังนี้แล้วจึงทรงโปร่งพระชนมายุสังขาร คือตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าพระองค์จักปรินิพานในวันวิสาขบูลลมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่า บุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามหือมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สระย่อมกอ่อความกระเพื่อมสันสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นชั้นใดการปรงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไยว่าจะปรินิพานของพระอนาวรยานก็ฉันนั้นกอ่อความวิปลิตแปรปรวนแก่โลกธาตุทั้งสิน้น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 สะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีนางน้อยคร่ำควรวญปริเวทนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งนะเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นแดงเข้มดุดเสือลำแผนซึ่งไหลด้วยเลือดสด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 จึงเข้าเฝ้าพระจอมุนีทูลถามว่าพระองค์พูดเจริญโลกธาตุนี้วิปริตแพรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นเป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอา น, นุนเอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสตรูตรสรู้ มุนธรรมาจักรปรงอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปรงพรชนอายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณ ที่ท่านมีในพระเชษฐภ พ, พาดาท่านมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความการุณาในข้าพระองค์และมูสัตจงดารงพระชนมชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระ อ, อ น, นุนก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีก พระโศกาดูนท่วมทนหัไทไถอานุ์เอยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ อีกสามเดือนข้างหน้านี้อานุนเราได้แสดงนิมิตโอภาษยังแจมแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่าส6บหครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือหนึ่งยสิปีก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ไมิได้ทูลเราเลย เราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆ น, นี้ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งถ้าเธอทูลครั้งที่สามจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานุนเธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่ง ณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรงอันได้นามว่าคิชโกฏณภูเขานี้มีถ้ำอันขจรนามชื่อสุกระขาตาซึ่งถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตัญหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีคันขะ เพราะไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วถีขานขะปริภาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่จึงพูดเปลยเปยเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโกดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วย เพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานน์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานน์เอย๋ย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 ซึ่งเรื่องลือมาแต่โบราณการว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระประเจก พ, พุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิริบันพดหรือภูเขากลืนกินฤาษีที่เงืมเขาชื่อสับ ป, ปิโสนธิกาใกล้ป่าศีตะวันที่ตะโปธาราม ที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแควนมคตที่สวนมะม่วงของหมอชิวกะโกมารพัฒที่มัทกุตชินิคะทายวันทั้งสิบแห่งนี้อยู่นักเขตแขวงราชคฤืต่อมาเมื่อเราทิ้งราชคฤืไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสู่เวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้ในแก่เธออีกถึงห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 อานน์เอ่ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนกุยนชมรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นมิใช่วิสัยแห่งตถาคตอานนนเราไม่ได้ประกรรมเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกถึงสมเดือน บัตรนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องฐานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอ๋ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด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 แลแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุกขามและโภคณนครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้อววาดภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตต ร, รียธธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลาย ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่กระหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพวิได้เป็นต้นว่าพฤกษาละดาวันมหาสิงขรและสัตว์จตุบททวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัด ก, กวาดเช็ดถูเรียบร้อย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 ขับฝุนละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประที่แผงดวงใจอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสยอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคลุกเคล้าด้วยกิเลส น, นานาชนิดศีล ส, สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญา ย่อมหลุดพน้นจากอาสวะทั้งปวงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพน้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปิติปราโมทอันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบคุ้มรัพย์มือมาหาอะไรเปรียบไม่ได้เ อ, อิบอาบซาบซ่านด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้ว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 ข่าวการปลงพระชนมายุสังขารของพระาศาสดาแท่กระจายไปทั่วสังคมมนุษย์ประดุดบรุษผู้มีกำลังกระพือผ้าขาวคลุมบริเวณเนื้อที่อันน้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทั้งคฤืหัสและบรรพชิตรู้สึกว้าเววิวหวานและเลื่อนลอยสาวกที่เป็นพุทุชนไม่อาจกลั่นอสุธาราไว้ได้ มีใบหน้าอาบพุ่นน้ำตาประชุมกันเป็นกลุ่มๆรำพึงรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจะปรินิพานเสียแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาวกผู้เป็นขีณาศพสิ้นอาสวะแล้วก็ได้แต่ปรงธรรมสังเวชคือความสลดใจตามแบบพระอริยะ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 มิได้เศร้าโศกปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวพยายามทำสมถะและวิปัสนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นพฤติการดังนี้เข้าใจว่าภิกษุธรรมารามหาความรักความอาลัยในพระผู้มีพระภาคมิได้จึงนำข้อความนั้นกราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าค่าภิกษุโทลภิกษุชื่อธรรมาราม หาความรักความอาลัยในพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อทราบว่าพระองค์จะปรินิพานก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่ปลีตนไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องไตาถามเรื่องราวของพระองค์เลยพระศาสดารับสั่งให้พระธรรมารามเข้าเฝ้าตรัสถามว่าธรรมารามได้ยินว่าเธอทําอย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือ พระพุทธเจ้าข้าพระธรรมารามทูลรับทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นเธอไม่อะไรใ ย, ยดีในตถาคตรหรือพระาศาสดาตรัสถามหามิได้พระเจ้าข้าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สันเสริญความเพียรพยายามบัดนี้พระองค์จะนิพพานแล้ว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 พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานออกสามครั้งว่าดีแล้วภิกษุแล้วผินพพักมาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเสน่หาอะไรในเราถึงทําตนอย่างธรรมารามภิกษุนี้การทําอย่างนี้ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดยิ่งภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยินดีในธรรมตรึกตรองธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตรธรรมไม่เสื่อมจากพระนิพพานแม้กระนั้นภิกษุทั้งหลาย ก็ไม่วายที่จะแวดล้อมพระองค์ไปทุกผนทุกแห่งพระศาสดา ท, ทรงเห็นดังนี้จึงเตือนภิกษุเหล่านั้นให้พยายามสแสวงหาวิเวกเพื่อบรุคุณธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุด บรรดาบททั้งหลายบทสคืออริยสัต์ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์8นี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลาย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 รับสั่งให้พระ อ, อ น, นุ์ปูผ้าสังคาติทำเป็นสี่ชั้นอ น, นุนเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูผ้าสังคาติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าค่าพระ อ, อ น, นุ์ทูลเกวยนเป็นจำนวนมาก เพิ่งผ่านพ้นลำน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุนอยู่ไม่ควรที่พระองค์จะดื่มขอเสด็จไปดื่มนะแม่น้ำกักุทานทีเถิดมีน้ำใสจืดสนิทเย็นดีย่าเลยอา น, นุนพระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงวอนย่าคอยจนถึงแม่น้ำกักุธานทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายเร่าร้อนคอแห้งผาก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 พระอาหนุนมองดูด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าอัศจริงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีและปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแทบารมีธรรมเป็นสิ่งน่าสังสมแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ำที่ขุนกลับใสสะอาดโดยฉับพลันให้พระผู้มีพระภาคสดับ พระจอมุนีคงประทับสงบนิ่งด้วยอาการแห่งผู้เจนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อย เมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรนายช่างทองนายจุนทะทูลอาราธนารับพัฒ ต, ตาหารณบ้านของตนแล้วจัดแจงคาธเนยโพชนียาหานยังพระนีตรุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาการเห็นสูกรมัถวะ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 ทรงเป็นห่วงภิกสุสาวกว่าจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นประหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรทิดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบาก